ให้ขากลับมาในบทสนมิธีหน้าร้อยเจ็ดสบ้าข้อที่หกสิบสี่นะครับพิสุรูปดัดผู้อยู่คุณปกปิดอาบัติยาสังฆาทิเศษของพิสุต้องอาบัติปาจิตติคำว่ารู้คือรู้เองคนอื่นมาบอกหรือเจ้าตัวบอกแล้วช่วยปกปิดไว้เพราะเป็นว่าผู้อื่นรู้และจะโจ์ ติเตียนทำให้ที่สู่นั้นอัอายต้องปานจัดปานจิตดีช่วยปกปิดอาบัตเบาก็ดีปกปิดความประพฤติชั่วของสามเณรผู้แกล้งปล่อยถึดกาหรือจำต้องกาหญิ่งก็ดีต้องอาบัตทุกก็แต่ถ้าปกปิดด้วยเพลงว่าความทะเลอะจะมีแ่สงก็ดีสงจากแต่คันก็ดี เห็นว่าเป็นคนดุร้ายอาจจะทําอันตรายให้ได้ก็ดีคิดว่าเขาจะต้องได้รับโทษเองไม่ได้คิดเป็นพวกก็ดียังไม่พบผู้ที่สมควรจะบอกก็ดีไม่ต้องอาบัตนะครับออันนี้เป็นอย่างนี้นะครับเกิดกับว่าพิสูรรู้ทั้งรู้นะว่ามีพ้ารูดแดรูดหนึ่งต้องอาบัตอย่างนะครับ เพ อ, อางบตงอย่างข้าวปลาที่กับสังหารดิเศษสองอย่างนะแต่สีขาวบุรีหมายถึงสงหารดีเศษอย่างเดียวนะครับของพิษสุกนะปกปิดไว้ต้องบัดไปตีคืออาจจะมีพระรูปใรูปหนึ่งที่ไปต้องบัดสารดเศษใช่ไหมเช่นมีการไปจับต้องการอยู่เป็นต้นนะและเขามาบอกเราของพี่ผมไปทำอย่างนี้อย่างนี้มาแล้วก็ต้องสารดีเสธนะอย่าไปบอกใครนะนะครับให้เราช่วยปกปิดให้นะ <c oughs> เพราะว่าแกกลัวนี้ใครรู้แล้วก็เนี่ย จะอายใช่ไหมต้องไปพูดว่าตองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อายไม่ให้ใครรู้แล้วก็ยังไม่มาขอปริวาสมานัณอะไรนะครับปิดข้างไว้อย่างนั้นนะก็มาเกิดเผยให้เรารู้คนเดียวและเราช่วปิดไว้นะครับอย่างนี้นะในงนี้นังไม่ได้ต้องบอกไปอย่างๆ น, นะครับทําไมคนที่รู้ถึงปิดไว้ปิดไว้เพราะว่ามีความอะไรเนะี่ยอะไรนะสงสารคนนั้นเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมาโจมมาตีเตียน แทนรุ่นอ่ะอายนะกลัวท่านจะอายก็เลยช่วยกันปิดนะครับพอช่วยปิดให้นะก็ต้องแบบไปปีเลยไม่ได้นะครนี้ก็ต้องปิดเผยแล้วก็ให้ท่านปี๊บแก้ไขาอาบาัตไปอย่างนี้นะอย่าไปช่วยกันปิดอะไรไมาอย่างนั้นไม่ดีนะครับให้ออกจากอาบาัตยิ่งไวได้ยิ่งดีด้วยทุกบริสุทธิ์นั้นเอยนะครับเยคนทีเพราะว่าถ้าไม่บอกใครเลยเนี่ย ทานก็จะเป็นการปกปิดไงยิ่งปกปิดแม่นานเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องประพืนวัดนานเท่านั้นแหละมันจะลำบากเราประพืวันนะปกปิดแม้สักสองเดือนี่เนี่ยโหเโหประพืไว้กันเลยสองเดือนลำบากเลยนะครับ คิดใช่ไหมที่เขาไปสารภาพ่าบาปไปทําอะไรผิดมาแล้วก็อยู่ไปสารภาพครับบาปหลวงกับอะไรใช่ไหมของข้ามีนั่นแต่ถ้าเป็นอาบักิธรรมดาก็โกงอาบัติอย่างถ้าสงฆ์ที่เจ็ดก็ต้องไปขอนะครับขอแล้วก็สงฆ์สวปริบว่าหรือมานั่นแล้วก็ออกอานี่นะนี้ต้องบอกว่าแต่ถ้าช่วยปกปิดอาบักบาก็ต้องอาบัเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ต้องนะยังต้องอาบัติทุกข์กบเอันอาบัตบา ตอยูตีถ้าไปทําอะไรมาไปดื่มเหล้า <c oughs> อะย่าไ่บอกใครแนละ้วก็แอบไปดื่มเหล้านี่นะเออช่วยปิดให้นะครับดื่มเหล้าต้องบัดตาอยู่ตีมาเดือนผ่านมานี้จะต้องบัดทุกขกบนะครับหรือว่ากบเป็นเพื่อช่วงสมณีความเนพื่อช่วงสมณีนนอะไรสมณีนนปล่อยสุ ก, การ์ปล่อยหน้าทุจิ น, นะครับหรือว่าสมณีนนไปจับต้องกายหญิงนะแล้วก็มาบอกพี่ไปบอกใครฮนะช่วยปิดให้ผมหน่อย เห็อย่างนี้นะคะรับสมเูรณ์ไอนะเนี่ยถ้าช่วยปิดให้เนี่ยต้องบัตรทุกกฎ น, นะก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้จะปิดนะให้แกไป็นธนตกรรมไปอะไรไปนะครับให้ออกจากตรงนี้นะออกจากโทษนี้นะครับคือไปปิดอะไรเนี่ยถ้าโบกปิดด้วยคิดว่าความทะเลอกจะมีแกสงก็ดีสงจะแตกกันก็ดีใช่ไหมอันนี้นีเป็นอะไรครับมันเป็นกรณีไหน <c oughs> หมายความว่า ถ้าเราปกปิดไว้เอ๊ะถ้าเราไปเปิดเผยบอกอะไรใครปุ้มเนะ่ยต้องเกิดการทรเาะวิวาสกันแน่จปออเรื่องใหญ่ครับเพราะว่ารูปนี้เนะอาจจะมีบางรูปที่ไม่ชอบใจรูปนี้ใช่ไหมแล้วพอรู้ว่ารูปนี้เขาต้องเนี่ยอาจจะเอาไปโจยประจาน ก, กันข้างการส่งอย่างนี้นะและรูปนี้เขาก็มีพระมีพวกมีรูปศิษย์เหมือนกันนะครับทีนี้เมื่ออาจารย์ว่าขนาดมันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมรูปศิษย์ก็จะไม่พอใจจะมาสร้างกันนะครับกลายเป็นการทะเลาวิวาสใหญ่ตโตนะ เนี่ยถ้าเราคิดมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องบอกนะครับอย่างนี้นะหรือต้หาวิธีดีบอกคนที่สมควรที่จะบอกนะครับเพียงจะไม่เกิดเรื่องราวเกิดการทะเลาะวิวาสนะบางทีก็ต้องดูนะครับบางคนเขาไม่เข้าใจในัยยะการปฏิบัติวินัยใช่ไหมเจออะไรก็ไปประจานไปโจยท่าการสองหนเดียวนะครับเรื่องเล็กกการเป็นเรื่องใหญ่ไลยเกิดการบาดหมานะทะเลาะวิวาสอะกันได้ครับ เราก็ต้องดูว่าคุณบอกหะไรใครอยู่นะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> หรือ <ๆ S 2> ว่า <ๆ S 2> เป็นคนดุล้ายนะครับโอ้โหถ้าเอาของแกนไปเปิดเผยนินเสร็จแน่นะแกจะทำอันตรายนะครับถึงชีวิตก็ได้นะอาจจะมาฆ่านะครับหรือทําให้เราแบบตันงสิงกระสิกอะไรก็ได้นะครับนี่นะหรืออีกแบบหนึ่งนะครับไม่ได้ตั้งใจะจะปกปิดนะแต่คิดว่าเขายจะต้องได้รับโทษของตนเอง แกทําอะไรไว้เดี๋ยวจะต้องปรางกด้วยกรรมนั่นแหละใช่ไหมนี่เขาต้องปรางกดวเองเราก็ไม่ได้คือปกปิดนะอันนี้ก็ไม่ต้องอานบัตรเราหรือว่าเขามาบอกเราชื่อปกปิดเนีชื่ออะไรเนะี่ยเราไม่ได้คิดชื่อปกปิดนะแต่เราก็ไม่ได้ไปบอกใครเนะี่ยเราไม่อยากยุ่งอย่ากอะไรใช่ไหมเหมือนเช่นถ้าอาจยังปฏิบัติอย่างเนี้ยนะก็คิดว่าอรูปนี้เดี๋ยวจะปรางกด้วยกรรมตนเองเราจะได้รับโทษเองอย่างเงี้นะนี่ก็ไม่เป็นอะไร หรือว่ายัางไม่พบผู้ที่สมควรจะบอกก็ดีอันนี้ไม่ต้องาอาบัตรครับทีนี้มาดูต้อนแบบอย่างหนมา อ, อาัาออาาานึ่งร้อยกับหกร้อยกับหันก้านหัวก้านสานน้ครับเรื่องพระองประนันทาสารกายบุตรนะครับด้วยสมัยนั้นท่าพระพาผพุทธเจ้าประทุมอยู่ณพระเชตวัน อาลางของนาถานบิฏิกาข้ามบดีเขตพระนครสามวันทีทั้งนั้นท่านพระอุปนทาสามกยบุตรต้องอาบัติชื่อสันเจตนีกาสุขวิสสิิแล้วนะครับก็คือเป็นอบัติพราติเสกนะตัวหนึ่งนะบอกแก่พิสุสัตทิวิหาริกของพิสุผู้เป็นพี่น้องกันว่าบอกแกพิสุที่เป็นลูกศิษย์นะของพิสุที่เป็นพี่น้องท่านอีกทีหนึ่งว่าอาวุโส ผต้องอา บ, บัติชื่อสันเจตนิการสุขวิสันตีแล้วคุณอย่าได้บอกใครๆเลยชื่อปิดให้เลยนะอย่าบอกให้นะครับบอกก็ท่านนลยขั้น <c oughs> ต่อมาพิสูรรุ่มหนึ่ง <c oughs> ต้องอา บ, บัติชื่อสันเจตานิการสุขวิสันตีขอปริว่าเพื่ออาบัตินั้นต่อสงท่านตอนน้องบัติท่านก็ทําพืนใช่ไหมการไปขอปริว่าขอปริว่าทก็แบบพื้นวัานะครับเนี่ยท่านก็แบบพื้นว่าอยู่ในวันนะครับไม่ได้แบบพื้นนอกวันนะเมื่อพื้นอยู่ในวันเนี่ย ถ้าก็ต้องไหวบอกพาอยู่ในวันทั้งหมดนะครับแล้วต้องบอกทุกวันด้วยแคนี้ปริบ้านมับอกวันเดียวก็ได้วันี่ก็ได้นะแต่มานั่นต้องบอกทุกวันแต่รูปไหนที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ได้บอกก็ต้องบอกนะครับเจอใครก็ต้องไหวบอกหมดเลยนะอือครับคือเดียวก็มีสองคนทีบอกบอกแล้วแบบว่าจำชัดไม่ได้บอกแต่บอกแล้วไม่ได้บอกว่าไม่ได้ เหมือนกันนะคือถ้าเราตั้งจะจะปกปิดใหท่าน่ะเถึงท่านไม่ได้บอกให้เราปกปิดใช่ไหมถ้าเราตั้งเราจะปกปิดนี่ก็ไม่ได้แล้วแล้วไอ้พี่บอกให้คืออาบัตแหละแล้วมาบอกแล้วกำชับอ่ะมากำชับอีกอีกทีหนึ่งการบอกของท่านอ่ะแล้วท่านกาชับด้วยท่านไม่ต้องอาบัติเพิ่มแล้วนะอ๋อกำชับอ๋อคนที่ถ้าต้องอาบัติเใช่ไมอ่าอ๋อเขาไม่ต้องเพิ่มนะไม่ต้องเพิ่มอืมค่ะ ทีนรูปนั้นก็ขอปริวาต่อสวดว่าประพืชบ้านในวัดใช่ไหมก็ต้องใอยบอกพิสุทั้งหมดนะครับส่งได้ให้ปริวาเพื่อทาบัตรนั้นเกศเธอแล้วเธอกาลังอยู่ปริวาอยู่นะครเพราะพิสุธรูปนั้นแล้วได้บอกพิสุธรูปนั้นว่าอาวุโสผมต้องอ่านบัตรชืี้สัญเจตานิการสุกาวิสันตีแล้วได้ขอปริวาเพื่ออ่านบัตรนั้นต่อสงส่งได้ให้ปริวาเพื่ออาบัตรนั้นเกศผมแล้วผมนนั้กําลังอยู่ปริวาผมพร้อบอกให้ทราบ ขอท่านจงจำผมว่าบอกให้ทราบดังนี้นะครับเนี่ยท่านก็ไปบอกนะครับแต่ว่าที่พูดกันนี่เราบอกเนภาษาบาลีใช่ไหมคนฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาก็รู้เลยนะครับท่าไม่ใช่พระที่เป็นอย่างนี้นะ่ะก็ ม, มานไ่ได้บอกว่าอย่างนี้หรอกเฉพาะพระที่ต้องนีอังพดีเศษใช่ไหมคือจะมีการไล่บอกว่า น, นะครับถ้าเราจะไม่ไปไม่แน่เดี๋ยวต้อรู้ว่าอ๋อเนี่ยต้องต้องอานแบบนี้นะแทนก็เลยได้บอกว่าง น, นะครับ พิสูจน์นั้นถามว่าอาลุโสแม้พิสูจนรูปอื่นใดต้องอาบาัตินี้แม้พิสูจนนั้นก็ทําอย่างนี้หรือก็คือพิสูจนรูปไหนที่ต้องอาบัติสงฆ์ทิเศสน่ะก็ต้องมีการมาไล่บอกนี้ใช่ไหมเขาพิสูจผู้อยู่ปริวาสก็ตอบว่าทําอย่างนี้อาลุโสเนี่ยต้องมาทำอย่างนี้หรื อ, อ, ร น, อรนะอมัรร น, ม น, น, ม น, มนถึงะจะพ้นจะกอาบัตได้ใช่ไหมครับพิสูจนั้นพูดว่าอาลุโสร์ท่านพระวันนันทาสาขย่าบุตรนี้ต้องอาบัติชื่อสันเจตตาิกาสุเกียริสัตติแล้ว ได้ท่านได้บอกแก่ผมว่าอาบุโสผมต้องอธบัตรชื่อสัรจะเป็นการสุจริตสันตแล้วคุณจะได้บอกแก่ใครเลยนะครับอือเนี่ยฮะก็ลองฟังนะครับวิสู้อยูออ่ปริว่าถามว่าอาบุโสก็ท่านปกปิดอาบัตรนั้นหรือนะครับวิสูนั้นตอบว่าเป็นเช่นนั้นครับอือก็รักอือนั่เลยอือปกปิดให้เองนะครับครั้งแรกวิสูปริว่ารได้แจ้งนั้นแก่ที่ท่องหลา พิสุปริวาไม่ได้แพ่งเท่าดิดเตรมบทนาโจทย์อาบัตินั้นไม่ได้เพราะท่านกำลังบทพ้นว่าอยู่ถ้านจะไปโจทย์คนอื่นไม่ได้นะครับท่านก็เลยไปบอกกับพิสุลูกอื่นพิสุท่้งหลายนะครับบรรดาพิสุที่ยังพู้มากน้อยสันโดษต่างก็เพ่งเท่าติเตรมบทนาว่าฉนัยพิสุรู้อยู่จึงได้ปกปิดอาบัติเชื่ออย่างของพิสุเล่าและกล่าวคุณเมื่อนั้นแบบนี้เมื่อเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามทรงติเตียพิสุลูกนั้นและก็มียาสีขาวบทนี้ขึ้นมา ่นอใชเครียดการรักษาหรือเปการขันก้อ้น้ำมดเนี่ยอะไรก็ยังจะได้เข็ยนหลักด้วยนะไม่การไปอย่าทำนะฮิเพราะวิธีอ่องนี่โอ้โหเนี่ยยากใช่ไหมไม่ใช่ธรรมดานะยากของเนยแค่ธัญดา ก, กรรมแค่อะไรใช่ไหมถสอว่าเนยไปจับต้องการหญิงนี่นะกำหนับไปโรงพยาบาลแล้วเจอพยาบาลเจอแล้วกำหนับก็ไปจับนี่นะครับเ น, นก็ค่ธัญญกรรมนะ โอ้ยพาเนี่ยโอ้ยขั้นตอนยุ่งยากมากนะครับต้องใส่สมตลอดเลยคอยก็รู้กันทั้งวันนะ <c oughs> แล้วก็ต้องไล่บอกนั้นนะไล่บอกใช่ไมน่ครับมันจะทำแม่นั่นนะครับจะได้สำรวมระวงรังในการต่อไปดีนะต่อไปมาดูขอ้อทีบายนะครับหน้าสองรอยยี่สิบเก้านะครับข้อที่สี่นะอธิบายทุดถุนละสิกขาบท เพื่อสร้างอาธาิบายสุชาติบทที่สี่ต่อไปคําว่าอาบัตยาทุตุลังในที่นี้นะครับประสงค์เอาอาบัตังคาธิเศสเมื่อพิสุได้สร้างอาบัตชั่วยาเช่นนั้นไม่ว่างจะโดยอุบายใดก็ตามนะเข้ามาบอกเรารู้เองนะครับมีคนมาบอกหรือรูปนั้นมาบอกก็แล้วแต่นะครั บ, บด้วยอุบายไหนะก็แล้วแต่นะและ้วกับปกปิดไว้เสียนะเพราะว่า สงสารกลัวว่าเขาจะโดนโจดโดนอะไรอย่างนี้นะก็เลยช่วยปิดให้นะครับต้องบัตรปางสิตีไม้หางคิดว่าวันนี้จะไม่บอกอาบัต น, นั้นแก้พิสูจน์ใดๆก่อนท่อทุรงเสียมีการท่อทุรงว่าจะไม่บอกใครแล้วนะภายหลังจึงบอกนะครับที่หลังก็มากลับใจบอกอนยะ่นีะต้องบัตรปางสิตีถือว่าต้องแต่ท่อทุรงแล้วนะครับพอทุระเท่ทาธุระจะไม่บอกใครก็ต้องนะอันที่มากลับใจที่หลังนี่แก้ไม่ได้นะ ถต่เราต้องอาบัติไปแล้วนะครับก็ไปปกอาบัตินะ <c oughs> <c oughs> พอต้องเข้าเท่านั้นจังบอกว่ากะยาด น, นี้น่าจะเกินมานะครับประโยคนี้นะเพราะเนื้อความไม่เชื่อมกั น, นแต่ถ้าทอดธุางไว้เช่นนั้นแล้วบอกแก่พิสูรรูปอื่นเพื่อให้ช่วยกันปกปิดนะครับนะแม้พิสูรรูปนั้นก็บอกแก่พิสูรรูปอื่นต่อๆกันไปด้วยอยวิบากเช่นนี้ก็จะต้องอาบัติกันได้แม้เป็นร้อยรูปนะครับ ก็ไปบอกคนอื่นต่อนะรูปนี้ครับต้องอ่านปฏิเสธทางอย่างนี้อย่างนี้นะถ้านอย่าไปบอกใครนีะุ่บซิบบอกกันต่อๆกันนะให้คุณเขาช่วยปกปิดไว้นะครับทั้งทั่วทั้งวัดอะไรูปหมดแล้วแต่ก็บอกให้ช่วยปกปิดไว้นะครับซุบซิบซึ่งอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะแล้วก็บอกกันอย่างนี้นะครับทุกคนก็มีใจอย่างนี้นะว่าจะไม่บอกใครบอกคนอื่นก็เพื่อให้ปิดไว้นะครับต้องอ่านบมดทั้งรูปเลยนี่นะครับเพราะว่าจะปิดไันให้นะครับอื เพว่าถ้าท่านบอกืนแล้วท่านจะจากอัตถ้าถถึงจะบอกอุคืนต่อคือถ้าท่านจบอกแล้วแล้วท่านจะบอกอืนแล้วต้อง่นไม่อุคือุคนบอกอุืนลกอ่ะบอกอนแล้วก็ชอีกกอีก่ะงสัว่าทำไมท่านต้องแบบอันนี้ท่านยกตัวอย่างมาเฉยๆนะเขตัวอย่างมเฉยๆว่าถึงแม้จะไปบอกอุคืนต่อแต่ก็ให้เขาปกปิดไว้อย่าไปบอกใครนะครับก็ต้องแบบ ถ้นมยอก็บบอไแบกะบออกมาใรางเกไปทั้งหมดคือตอนแรกนะท่านก็ท่อทุ่ล่ามันจะไม่บอกใครใช่ไหมทีนี้มันอดไม่ได้เอออดไม่ได้ก็เลยไปบอกทีหลังแต่แบบมันก็ต้องไปแล้วตอนนี้ใจท่อทุ่ล่าอย่างนั้นนะแต่ถึงจะไปบอกคนอื่นก็บอยเขาบอกปิดให้ก็แล้วกันน่ะอย่างเงี้ยพอเจอตัวเขาบอกให้ช่วยปิดให้ด้วย ใช่ไหมครับสมมติว่าผู้ทำบัมาเองก็แค่วคิดนะว่าเราจะบอกคนนั้นแล้วเขาอาจจะไม่บอกผู้อื่นเขาคิดอย่างนี้นะเราก็เลยไปบอกคนนั้นแต่ว่าไมันหลายคำฉาบว่าท่านต้องช่วยปกปิดผมะแบบนี้ถือว่าเป็นการปกปิดบัตรไหมเขาไม่เป็นการปิดนะแเขาเปิดเผยแล้วก็ ให้บอกกลับไปสู Leonard, ่ทีแบอไม่ค่อยจะพูดอะไรไปเลยเฉยๆนะครับครับแต่แต่เราคิดเองนะแต่เราไม่ได้ไปบอกว่าคือท่านใช้ปกปิดผมด้วยอะไรยเงี้ยครับแบบนี้เป็นแล้วก็ไม่ปกปิดนะแล้วก็ถือว่าเปิดเผยอย่างนี้นะครับบอกว่าต่าที่สุดยังไม่ขาดนครับต่าเท่าที่สุดนะของอาการปกปิดยังไม่ขาดจนกว่าที่สุดจะขาดนะครับถึงจะไม่มีใครต้องอานบัดแล้ว ก็แล้วที่สุดจะขาดได้อย่างไรถ้าพิสูจน์ต้องอามบ mm ัตและารูปแรกนะที 1, ่ต really? mm. ้องอามบัตนะครับบอกแก่พ hmm. um ิสูกรูปหนึ่งไปบอกรูปที่สองใช่ไหมแม้พิสูกรูปนั้นบอกกับพิสีกรูปหนึ่งนะครับที่สองเขบอกกับรูปที่สามนะครับอันนี้และวพิสูตรูปนั้นกลับมาบอกแก่ผููที่ตนบอกแก่ตผู้ที่บอกแกตนรูปที่สามกลับมาบอกรูปที่สองนะครับเมื่อพิสูตรูปที่สามกลับมาบอกแก่รูปที่สองเช่นนี้ ที่สุดจริงเป็นอันขาดนะครับอย่าง น, นี้ยนะที่สุดอาบัต <T> ถุจะขาดนะครับรูปแรกบอกรูปที่สองช่วยปิดไว้ใช่ไหมลูปที่สองก็ไปบอกรูปที่สามช่วยปิดไว้นะครับรูปที่สามก็กลับมาบอกรูปที่สองแหละนะครับกลับมาบอกว่ารูปนั้นต้องบัตถะอย่างนี้่างนี้นะคะบอกก็บอกคนที่บอกตัวเองแหละนะอันนี้ชื่อว่าอาบัตนะครับเป็นอันขาดลงแล้ว <ioè> เพราะว่านะครับที่สุดนะ่าเป็นอันขาดลงแล้วขาดลง ทำไมถึงเป็นอังขารลงล่ะถ้าบอกว่าพ่อรูปที่สองน่ยถ้าไม่มีอาบัตใหม่ที่จะต้องแล้วนะครับเพราะต้อปกปิดใช่ไหมตอนแรกปกปิดให้รูปรแรกท่าก็ต้องอาบัตไปแล้วใช่ไหมครับไปบอกรูปที่สามูกที่ส า, ปสามปกปิดให้ก็ต้องอาบัตแล้วใช่ไหมครับรูกที่สาก็ามาบอกท่านท่านปกปิดไว้ท่านก็ไม่มีการต้องอาบัตเพิ่มอีกพราอมันต้องไปแล้วนะครับท่าก็รู้ไปแล้วต้องไปแล้วใช่ไหมในเนี้ถ้าบอกว่าเพราะไม่มีอาบัตที่ท่านจะต้องเพิ่มอีกนะ อาบัตก็ถืว่าขาดตรงตรงนี้นะคขาดนี่นี้มนถือว่าไม่สุทธไม่ไม่ไม่ใช่ถ้าไปบอกใครต่อก็ไม่ถือว่าเป็นการปกปิดแล้วเป็นการเป็นการปกปิดแล้วคราวคราวใช่ครับถ้าเราเราทำหน้าทำที่ไนไม่ไม่บริสุทธิ์เวลาเข้ากรรมฐานอ่ะดากปรวิสาคุ้งซาน่าดูแหละใช่เด ต้องช้ำนั่นให้บริสุทธินะบางคนสงสัยหนักขนาดสงสายแบบประราชิกนะถ้าเข้ากรรมฐ า, านน่ะแม้เรื่องเล็กน้อยเราก็คิดหยุดนั่นแหละนะฟงไม่ตอบะไรนะอี้วันนั้นเราเป็นหยิบอะไรเนี่ยเรามีไถยจิตอะไรนิดหน่อยนี่นะวันั้นเราข้ามไปตัดประเทศนะ่ะเราเอาอะไรมีภาษีไปหรือเปล่าคิดมากนะคะเงี้ยเข้ากรรมฐานอู้วเข็ยดหยุดไม่ได้ออกมาต้องมาถามปูบาจะหาย่างงี้นะไอ้คนก็ยังมีเขาขนาดนั้นเลย มันก็อยู่ไม่ได้เลยนะมันคิดเครียดถ้าถึงขนาดห้ามแบบปลาริงเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้บางทีงเดือดร้อนนะถือว่าที่แท้ไม่ต้องแแต่ว่าท่านสงสัยคนที่สงสัยอย่างนี้นะแล้วต้องชํำระให้ดีนะคัเรื่องเล็น้อยมันทิ้งไม่ได้ทำไมอยู่กับมรานแต่มัสงสัยเยอะนะผมก็แปลกแปลกใจเหมือนกันน ะ, นะครับเพราะว่าอะไรนะจิตมันไม่มีอารมณ์อยากอื่นนะครับมันอยู่กับตัวเองใช่ไหมฮะนะ มัก็จะวนไปเรื่องพวกนี้เรื่องตัวเองนะครับต่อไปเหตุแต่ละประเภทอาบัตสิกขาบทนี้พุทธพาจ้าทรงปราบที่สุบางรูปผู้ไม่ปรากฏนานในเมืองสาวัตถีบรญยายนี้แล้วข้อเหตุคือการปกปิดอาบัตชั่วยากนะครับ<ม>เป็นอักาศรนาบ ร, รัติที่สุนี้ไม่มีนะครับอันนี้นะมีมพวกองพระอนานติกาแก็ไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับปกปิดเองนะั่นจึงต้องอาบัตเลย ในส่วนที่เป็นอาบัตชั่วยาเป็นอาบัตปานจิตีในปฐมบทก็คือพิสุเข้าใจถูกต้องนะครว่าเป็นอาบัตชั่วยามแล้วปกปิดไว้ข้าต้องบัตนาดเสธใช่ไหมเราก็รู้ทั้งรู้ว่าขาต้องบัตนาดีเสธแล้วก็ช่วยปิดไว้นะครับรู้ทั้งรู้เนี่ยปิดไว้ข้าวต้องปานจิดีเป็นอาบัตทุกกฎในสองบทที่เหลือก็คือข้าต้องบัตนาดีเสธใช่ไหมพิสุเข้าใจผิดนะครับว่าไม่ใช่อาบัตชั่วยานะ หรือสงสยัยไม่อารมณบัตแกนมาอยากหรือไม่อยากสงสัแล้วปกปิดไว้อันนี้ก็จะต้องอาบัตทุกขกดนะครับไม่ใช่ติการนี่นะครับไม่ใช่ติการ네ในส่วนที่ไม่จัดเป็นอาบัตชั่วอยากอาบัตเบาตั้งแต่ถุนละใจลงมานี่นะครับไม่ชั่วอย่างนะมัน ไ, ม, นะะไม่ได้ว่ า, าบนะะ า, น, านนะครับแล้วก็บาวนะอาบัตหนังสองครับเป็นติกาทุกกด น, นะครับทุกกดทุกทกรณีเลยถ้าเป็นอารบัตอาบัตที่ไม่ชั่วอย่างแล้วนะ ในสุอาชาจางของสมณเณรไม่ว่าจะชั่วย่างหรือไม่ก็ตามเมื่อพิสูจนปกปิดไว้เป็นเพื่ออาบัตทุกกฎเท่านั้นของเน้เป็นทุกกฎอย่างเดียวของนรที่ชั่วอย่างนี่อะไรก็อกสิกขาบทห้าของสมณเณรนะการทำนสุจิให้เคลื่อนจำต้องการหญิ้มพวกนี้นะครับก็เป็นชั่วอย่างสมณเ น, นะถ้าที่เหลือเนรก็ไม่ชั่วอย่างนะอันนี้นของเนรติของเนรก็เป็นอาบัตทุกกฎอย่างเดียว <c oughs> อนอาบัต น, นะครับพิสูจไม่ต้องอานบัดเมื่อไม่บอกด้วยคิดว่าจะเกิดความแตกร้าเป็นต้นขึ้นแกสงไม่ได้ไม่บอกด้วยคิดว่าพิสูุนนี้ป่าเถื่อนโหห <c oughs> ยากคายจะทําตรายแก่ชีวิหรือพรหมจันได้นะครับเ <c oughs> มื่อก่อ น, น, นมันมีไงโหแบบมีรูปนึ่งนะแกก็คาดรู้ว่าป่าเถื่อนหรือยากคาแล้ว น, นะคืออยากมากนะครับ <c oughs> พู้กระสอ์นี่นะว่า กูไม่มีอะไรเผื่อพวกมึงอนเนี่ยขนาดนี้ครับโอ้โะสุดยอดเลยนะครับนะครับาเป็นคนโทรศัพท์ี่ว่าใช่ใชโมโหโมโหอ๋ไปเป็นคนโทรศัพท์นี่แหละนะเคยเขาเป็นเคยทหารไงทหารันล่มเ้าบอกว่าเขาเป็นอะไรนะอารักษแล้วก็ไปสร้าคอมมิวนิสต์ แล้วแก ก, ก็จะทํำหน้าที่อย่างงี้เนี่ยไปสู้รบไปฆ่าคนอะไรมาเยอะเนี่ยแล้วมันอัจฉริยะสายมันติดมานะครับ <c oughs> นี่มัอะไรขึ้นมาเนี่หนอนนี่นไม่ได้ก็จะโกรธมากอะไรนะแล้นเข้าก็มาฐานนะแกศึกไปแล้วนะครับอันนี้พูดได้เ <c oughs> ขาก็มาฐานอยู่กุฏิใกล้ๆของผมนะแกโกรธอะไรอย่างนะเดินเข้มากุฏิโอ้โวยวายใหญ่นี่ครับตึงตังตังแล้วตะโกเลยนะนะครับขนาดนั้นเลยนะครับ แต่แปรนั่นผมเข้ากับแกได้แต่ว่าคนนี้เขาคิดโกรธแต่ว่าเขาจะมีความน้อยใจอยู่ในใจนะเขาน้อยใจเป็นเหมือนกั น, นครับนี่แหละเขาน้อยใจว่าเนี่ยทำไมมีคนงั้นมาว่าเขาอะไรนี่นะแล้วโกรธ เคยกเรียสือค่วบอมีโมโหที่จะยาวรูกคนมา่ชื่อชื่อท่านะไรอย้ชื่อหลงตาจีนหรืออนสอนเกียวก็พบทำนิยมนิยมสอนวิทยาสมัยนานค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะโอ้โหอันนี้มากเลยนะเป็นน้ามากเลย่เกง่ะทาเก่งนนระขาหนะ หม้อฟังอาจารย์อะไนะหลวงพ่อปัญญาลันทะเนี่ยอะไรนะเนี่ยเป็นหลวงพ่อไอ้รูปนะที่เขาล่ฟาครับนะครับอ๋อแต่ไม่ได้รูระเดียดขางหัวเนี่งนะยุสมัยอ๋อโอเคครับขางต้องขยับกองเนะขางเลยไม่เห็นภิกษุที่สมควรจะบอกนะครอันนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ประสงค์จะปกปิดนะครับ ไม่บอกเนื่องจากเห็นว่าเขาจากปรากฏด้วยกรรมของตนคนนั้นอยู่ที่ใจนะใจที่จะปกปิดให้เข้านะแล้วก็ทอดทุระนะครับและวิสุบาาเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบบติองค์อาบรสิคราบุนี้มีองค์สองหล่านี้คือหนึ่งทราบว่าพิสุอื่นต้อนบชั่วยานะครับสองทอดทิ้งธุระด้วยคิดว่าจะไม่บอกเนื่องจากไม่ประสงค์จะบอก แค่ข้อปกงสองก็ต้องบอัดยส้ตีในสิกขาบทนี้นะครับสมมุทฐานเป็นต้นเป็นเช่นเดียวกับสมนุษย์านะสิกขาบทอันนี้เราไม่ไม่ค่อยเจอบ่อยใช่ไหมสมุทฐานก็มาจากกายวาจาจิตนะครั บ, รบข้อเดียวนะกายวาจาจิตนะครับมีจิตคือจิตที่คิดเพราะทุลักจะไม่บอกกายวาจาเป็นยังไงพ่อไม่ยอมบอกมาด้วยกายหรือวาจานะครับคไม่บอกเพราะว่าไม่เา ไม่ค่อมไม่อันนี้จําลนะสมุนุพัสนั่นสมุทฐานแล้ไม่ค่อยคุ้นนะครับกายวาจาการวาจาจิตไอ้สมุทฐานที่ว่าเขาสวดสมุนุพัสใช่ไหมสวดว่ากาต่างเตือนให้ผู้สุยอมรับความผิดใช่ไหมครับนี้ข้อนั้น่ะที่ จ, จะต้องอ้างว่าเพราะว่าการวาจาจิตจิตก็ยังดื้อดึงใช่ไหมไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ไม่ยอมรั บ, บกฎเผยมาด้วยการหรือวาจ า, าให้จํำคำบนนั้นสมุทฐานได้ดีนะ จบการทีบายทูดถึงละสิกขาบท น, นะครับตอนนี้ก็จบนะครับ